อพร้อมแล้วเตรียมเรืองเริญสติเพราะั้นเราจะต้องฝึกฝนกจิตของเราเพื่อให้มีสติสมาธิและปัญญาที่แข็งแรงขึ้นมาในเบื้องต้นในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้มีการปลดเปลื้องความคิดที่เป็นอกุศลการที่จะเห็นความคิด ไม่ดีจะต้องมีสมาธิและสติมากพอสมควรมันการภาวนาคือการเจริญสติสะสมสมาธิไปเรื่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆนี่การเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญภาวนามันจึงเป็นเรื่องหลักเรื่องจําเป็นในคําว่าพุทธศาสนา เมื่อพวกเราพร้อมแล้วนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า ตั้งกายตรงและสบายๆนะวางมือนิ่งปล่อยสบายๆดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าไม่ต้องรีบร้อนดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็คือรู้สึกที่ใบหน้าของตัวเอง เร <c oughs> รู้สึกที่ใบหน้าของตัวเองแล้ว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 จิตจะรู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจจิตข้าวจ้องดูรู้นิ่งอยู่ตรงช่องจมกูกอันเป็นที่ตั้งของจิตลมหายใจก็วิ่งเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้า จิตที่รู้ลมหายใจก็เข้าย่องดูนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือน ร, ปรอปภที่หมู่บ้านนั่งอยู่ที่ป้อมยามดูรถที่หลที่เข้าและออก ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้เราไม่ต้องไปคิดหรือทำอะไรมากมายแค่ให้จิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกให้จิตรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเท่านั้นลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งถูกรู้นั้นมันผ่านทางช่องจมูก ไม่ผ่านทางอื่นไม่สามารถที่จะไปเล็ดรอดไปทางอื่นได้ไม่สามารถที่จะเข้าออกทางหูได้โดยปกติไม่สามารถที่จะหลบหนีไปทางตาไม่สามารถที่จะหลบหนีไปทางไหนได้ขอจะออกทางจมูกเข้าทางจมูกอันเราเพียงแค่รู้สึกตอนที่เขาออก รู้สึกตอนที่เขาเข้าตัวลมหายใจนั้นมันไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง แต่จากการเคลื่อนไหวทำให้เรารู้ว่าเขามีรูปร่างจากการที่กระทบเคลื่อนออกทางช่องจมูกของเราเคลื่อนเข้าทางช่องจมูกของเราโดยหลักของกายภาพที่เ็เคลื่อนเข้าไปทางช่องจมูกผ่านไปทางหลอดลมนั่นลงไปจนถดอยู่ที่ปอด เมื่อบีบตัวออกมาไหลออกมาก็จะมาสุดอยู่ที่ช่องจมูกเพราะฉะนั้นเราเข้าอยู่ตรงนี้เราจะได้รู้สึกทั้งลมหายใจที่ไหลเข้าได้รู้สึกทั้งลมหายใจที่ไหลออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ ทำให่เหลือแค่จิตรู้และลมหายใจที่ถูกรู้เท่านั้นในชีวิตนักขณะ น, นี้ไม่มีแรงบีบคั้นไม่มีแรงบีบคั้นอะไรไม่มีแรงน่วงอะไรไม่มีเป้าหมายอะไรไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่จิตที่รู้กับลมหายใจที่ถูกรู้จิตคอยรู้ลมหายใจอย่างซื่อ ลมหายใจเคลื่อนออกก็รู้ลมหายใจเคลื่อนเข้าก็รู้รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงของลมหายใจอาจจะเป็นลมหายใจที่เรากาหนดดึงลากดึงเข้าไปในขาเข้าเราก็รู้ตามความยาวนั้นตอนออกเราก็รู้ตามความยาวนั้น บางทีมันก็ยาวมากเราก็รู้ไปตามที่มันยาวมากมันสัน้นเราก็รู้ตามที่มันสัน้นมันสั้นมากเราก็รู้ตามที่มันสั้นมากรู้ยาวรู้สั้นนี้เป็นเรื่องรู้ตามปกติให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หายใจเข้ารู้ จิตของเรามันหลุดน่วงออกไปนึกคิดเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ลมหายใจไม่เป็นไรเราแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจเราก็ดึงกลับมา <c oughs> แล้วก็มารู้ลมหายใจใหม่ไม่รําคาญไม่รู้สึกหงหุดหงิดกับการที่เขาหลุดออกไปคิดมีความสงบพอที่จะยกเขากลับมารู้ลมหายใจ อย่างสงบหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อย่างนี้ระหว่างที่รู้ลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้าอยู่นั้น อาจจะเกิดความเบทนาบางอย่างเช่นเกิดความปวดความเจ็บความมึนความคันความชาขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ต้องให้ความสำคัญมากแค่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางไว้แล้วก็ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าวปวดก็ปล่อยให้มันปวดไปปวดตรงไหนก็ให้มันปวดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปขยับไม่ต้องไปเปลี่ยนปล่อยเขาไป ยกจิตกลับมารู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ ถ้าเราประคองลมหายใจที่ไหลออกลมหายใจที่ไหลเข้าในระยะแรกเราจะรู้สึกได้ว่าเป็นลมหายใจพิเศษคือมันจะยาวกว่าปกติเราก็ประคองได้ประคองต่อเนื่องไปลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้อย่าไปใส่ใจสงสัยว่านี่คือการกำหนดหรือไม่ขอเพียงแค่รู้ตั้งแต่ต้นที่มันไหลจนสุดลมหายใจที่มันไหลออก รู้ตั้งแต่ต้นมันไหลเข้าจนฉุดลมหายใจที่ไหลเข้าเป็นพอจะกําหนดหรือไม่กําหนดขอเพียงรู้การไหลของลมที่ไหลเข้าไหลออกนั้นตามความเป็นจริงคือถ้ามันไหลเข้ายาวขนาดไหนเราก็รู้ขนาดนั้นมันไหลเข้าสั้นขนาดไหนก็รู้ขนาดนั้นเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงไม่ว่ายาวหรือสั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อจิตรู้สึกปวดหูเคลิบเคลิ่ให้ยืดลำตัวให้ตรงจัด ก, กระดูกสันหลังให้ตั้งตั้งฉากกับพื้นยืดตัวให้ตรงแล้วก็รู้ลมหายใจความเพล่มก็จะหายไป ประคองจิตรู้ให้อยู่กับลมหายใจไว้จิตที่รู้หลมหายใจมันเป็นจิตที่บริสุทธิ์ ไม่ได้ยึดลมหายใจแค่ใส่ใจแค่รู้แค่ระลึกที่ลมหายใจเมืเ่อเขาจะไปที่อื่นก็ดึงเขากลับมา ความปวดความเมื่อยความเจ็บให้มันเกิดไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันไม่ต้องไปขยับปรับเปลี่ยนท่านั่งถ้าไม่จําเป็นเราจะได้เห็นความเบทนาว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อเวทดนาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตรงไหนราวางไว้ตรงนั้นและกล้าพอที่จะยกจิตกลับมารู้ลมหายใจ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้การยกจิตกลับมาจากเวทนาอย่างนี้บ่อยๆทาให้จิตเกิดความชํานาญในการรู้ลมหายใจและการปล่อยวางสภาวะความเจ็บความปวดคือสภาวะอย่างหนึ่งหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อจิตรู้ลมหายใจโดยธรรมชาติโดยประมาณโดยธรรมดาอย่างนี้นะให้เราศึกษาลมหายใจของเราที่ไหลออกคือใส่ใจมุ่งเน้นลงไปพิเศษที่เนื้อลมหายใจของเราตั้งแต่เริ่มต้นไหลออกมาใส่ใจเน้นลงไปเป็นพิเศษในเนื้อลมหายใจที่ไหลออก ใส่ใจมุ่งในพิเศษในเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลออกใส่ใจในเนื้อลมหายใจที่ไหลเข้าใส่ใจในเนื้อลมและรายละเอียดของลมหายใจขณะที่ไหลออกมาความเรง่งความเบาความหยาบความละเอียดตลอดลักษณะความยาวความสั้นของลมหายใจว่าลมหายใจที่เริ่มต้นก่อตัวไหลออกจาก จมูกของเรานั้นเป็นอย่างไรแน่นเร็วช้าละเอียดเบาหยาบหรืออย่างไรรายละเอียดของลมหายใจที่ไหลออกมาก็รู้รายละเอียดนั้นเข้าไปด้วย จิตที่รู้ลมหายใจ ซ, ซื้อลงไปจิตรู้ตัวนี้จะเป็นอนิสิตะเป็นจิตที่ไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิไม่มีอดีตอนาคตจิตที่คอยเกาะดูรู้ลมหายใจที่ไหลออกจิตที่คอยเกาะดูรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า <c oughs> เอาละให้รู้สึกที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือให้จิตรู้สึกแล้วเคลื่อนมือขวาไปวางไว้ที่ข่าข้างขวายกจิตมารู้สึกที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข่าข้างซ้ายจากนั้นยกจิตมาไว้ที่ใบหน้าผ่าหัวหน้านิดนึงแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ ในภาคเช้าก็พอสมควร